Fifty languages. s i x t t t การปฏิเสธสองน่าฟิกนแหวนวงนี้แพงไหมคะแก่เย่แงวุธีเม่งกี่ไม่ค่ะ แวนวงนี้ราคาเพียงหนึ่งร้อยยูโลไม่ نہیں, อิสกีค่ามัดซิฟุซซอุยโรเฮแต่ดิฉันมีแค่ห้าสิบเท่านั้นค่ะลิขิมเมเร่พาสซิฟุปเจ้าส์เฮนคุณเสร็จแล้วใช่ไหมแกตุ้มตยาหร์ฮูไม่ยังไม่เสร็จค่ะไอะิไม แต่เดี๋ยวก็เสร็จแล้วลค่ะ ले ่เดี๋ยก็เจแล้ ज ค่ะแต่เดี๋ยวก็เจ้วค่ะแต่เยากได้วคปะพิ่มไหมคะต่เดี๋เส็จแล้วค่ะ่ดียวก็้่ดียวก็้่่เดีเแล้วค่ะแ่เยรแล้วค่ะต่เดี๋ยวรแต่ขอี๋ยกรวียก้วค่ะียกเ้วค่ะเยเร็ค่ะี๋ยวกร็ คุณอยู่ที่นี่นานแล้วหรือยังคะแก่ตุมกาฟิดินโอ้เซย์ย่าห์ระร้าเหรอไม่ค่ะเพิ่งเดือนเดียวไม่ซิร์ฟเอกมหนีเซกแต่ดิฉันรู้จักคนเยอะแล้วลีกินแม่บาฮ์ซิ่งล่องงควจรู้จังตาหุคุณจะขับรถกลับบ้านพรุ่งนี้ใช่ไหมคะก่ทุม กลกลัะไปเารอยไม่ค่ะจะไปตอนเสาร์อาทิตย์ไม่วีเคนด์แต่วันอาทิตย์ดิฉันจะกลับมาแล้วล่ะค่ะลต่กนอาทิตย์ดินจะกลับมาแล้วล่ลูกสาวของคุณเป็นผู้ใหญ่แล้วใช่ไหมคะก่ของคุณเป็นิู้ใหญ่แล้ว่ไม่ใช่ค่ะ ลูกดิฉันเพิ่งอายุ1ิดปีไม่ใช่อย่างตอนนิสแต่เธอมีแฟนแล้วนะแต่เธล้แต่เธอมีแฟแ่เธอล้วนะ่เอนแล้วนะอีแนละ่อมีแฟนแล้วนะแต่เีนล้่เอแล้วะแาอีวน่นแล้เมนว่อและ่นวมล่เลว่อม่นม่ล่